จเจริญพรท่านผู้มีอจิตศรัทธามีความเมื่อใสในพระพุทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษา มาฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เปรียบเหมือนแผนที่ชีวิตของพวกเราตอนนี้พวกเรากำลังหาทางกลับบ้านของเราแต่หลงทางไม่รู้ว่าทางที่จะพาให้เรากลับไปถึงบ้านนั้น อยู่ตรงไหนเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ได้กลับไปถึงบ้านแล้วเพื่อที่ท่านจะได้บอกทางให้แก่พวกเราถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่สามารถหาทางกลับบ้านได้เราก็จะต้องขับรถ อยู่บนท้องถนนไปเรื่อยๆไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นจิตใจของพวกเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่เดินทางกลับบ้านแต่ยังหาทางไม่เจอจึงต้องแวะไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะเป็นที่ พักผ่อนหย่อนใจเพื่อเป็นที่หลบพิษหลบภัยต่างๆแต่ก็เป็นสถานที่ชั่วคราวพอเราอยู่ได้สักพักหนึ่งเราก็ต้องย้ายที่ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้พบพระพุทธศาสนาไม่ได้พบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็เหมือนกับเราไม่ได้มีแผนที่ที่จะบอกทางให้พวกเราได้เดินทางกลับไปถึงบ้านของเราบ้านของเรานี้อยู่ตรงไหนอยู่ที่มรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งซึ่งเราเรียกว่ามรรคผลนิพพานเป็นผลที่เราจะได้รับ จากการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนพอเราปฏิบัติตามคำสอนได้เราก็จะได้เดินทางไปถึงบ้านของเราในที่สุดดังที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้เดินทางไปถึงแล้ว พอเราถึงบ้านแล้วเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายปลอดภัยจากภัยต่างๆเวลาเราเดินทางอยู่บนท้องถนนหรือเวลาเราแวะตามสถานีบริการเราก็รู้ว่าเป็นที่เราแวะได้ชั่วคราวเวลาอยู่บนท้องถนนเราก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัย อาจจะมีอุบัติเหตุมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นได้แต่พอเราได้เดินทางไปถึงบ้านของเราเราก็จะรู้สึกปลอดภัยรู้สึกสบายใจว่าเรามีที่หลบภัยมีที่ให้ความสุขกับเราใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกายที่จำเป็นจะต้องมีที่อยู่อาศัย มีบ้านชีวิตของเรานี้ไม่ได้มีเพียงแต่ร่างกายเป็นส่วนประกอบนอกจากร่างกายแนละ้วเรายังมีจิตใจจิตใจก็ต้องมีบ้านเหมือนกันตอนนี้เรายังหาบ้านของจิตใจไม่เจ อ, อเราจึงต้องเวียนว่ายไปหาบ้านชั่วคราวอยู่อย่างร่างกายอันนี้ ถือว่าเป็นบ้านชั่วคราวของจิตใจเพราะเราไม่สามารถหาบ้านที่แท้จริงของเราได้บ้านที่ถาวรของเราได้เราเลยต้องอาศัยบ้านชั่วคราวไปก่อนร่างกายนี้ก็เป็นบ้านหนึ่งที่เป็นบ้านชั่วคราวของเรานอกจากร่างกายของมนุษย์แล้ว ก็ยังมีร่างกายของเทวดาร่างกายของเปรตร่างกายของพรงมร่างกายของผีเป็นที่อยู่ชั่วคราวของพวกเราจนกว่าเราจะได้พบแผนที่พบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะพาให้เราได้ไปถึงบ้านที่ถาวรของเราต่อไป ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสรงฆ์ไม่มีแผนที่เราก็ต้องอาศัยบ้านชั่วคราวไปอยู่เรื่อยๆอย่างที่เราได้อาศัยมาเป็นเวลาอันยาวนานบางทีเราก็ได้บ้านของมนุษย์บางทีเราก็ได้บ้านของเทวดาบางทีเราก็ได้บ้านของพรหมบางทีเราก็ได้บ้านของเปรบางทีเราก็ได้บ้านของเดระฉาน ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำอยู่ในแต่ละวันผลบุญบุญและบาป ท, ที่เราทำนีดแหละจะเป็นผู้ที่กำหนดให้เราไปได้บ้านแบบไหนจะได้บ้านมนุษย์เราก็ต้องรักษาสี่ทาให้ได้เราถึงจะได้ไปเป็นมนุษย์ถ้าเรารักษาศีลท่าได้แล้วเราทำบุญทำทาน เอ้อเฟื้อเผื่อแผมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นให้ความสุขแก่ผู้อื่นเราก็จะได้บ้านของเทวดาถ้าเราฝึกนั่งสมาธิได้ทําใจให้สงบได้เราก็จะได้บ้านของพร ถ้าเราไม่สามารถรักษาศีลห้าได้เราก็ต้องไปได้บ้านของเดรลฉานหรือได้บ้านของเปรหรือได้บ้านของผีหรือต้องไปติดคุกติดตารางอยู่ในนรกเพราะเป็นที่ของผู้ที่ทําบาปทั้งหลายผู้ที่ไม่สามารถรักษาศีลห้าได้ก็จะต้องไป ติดคุกติดตารางในนรกหรือไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเต่าไปเป็นผีนี่คือบ้านต่างๆที่พวกเราได้มาในแต่ละพบแต่ละชาติบางทีเราก็ได้เป็นมนุษย์อย่างพบนี้ชาตินี้เราได้เป็นมนุษย์เพราะเรามีศิ่งห้าเรารักษาศี่งได้ไม่ทําบา ถ้าพบต่อไปแล้วก็อาจจะไปได้เป็นเทวดาถ้าเรารักษาศีลต่อไปได้และทําบุญทำทานอย่างสม่สาําเสมอถ้าเราถือศีลแปดได้แล้วนั่งสมาธิได้เราก็จะไปเป็นพรองแล้วถ้าเราได้มาพบกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ เดินทางไปบ้านที่แท้จริงของเราบ้านที่แท้จริงของเราก็มีอยู่สระดับด้วยกันคือระดับโสดาบันระดับสกิดาคามีระดับอนาคามีและระดับอรหันต์ถ้าระดับโสดาบันนี้เรายังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกินเจดชาติ ถึงจะไปถึงพระนิพพานได้ถ้าเราเป็นพระสกิดาคามีเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงอีกชาติเดียวเราก็จะเดินทางไปถึงพระนิพพานบ้านที่แท้จริงของเราได้ถ้าเราได้ขั้นพระอนาคามีเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไป เราจะไปเกิดเป็นครหมแล้วเราก็จะเข้าไปสู่บ้านที่แท้จริงก็คือพระนิพพานตามลำดับต่อไปการที่จะไปสู่บ้านของพระอริยเจ้าได้คือพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหรันเราต้องมีปัญญา ที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมเห็นอะไรเห็นพระอริยสัจสี่ภายในใจของเราไม่ใช่เห็นพระอริยสัจสี่ในหนังสือพระอริยสัจสี่ในหนังสือนั้นไม่ใช่เป็นพระอริยสัจสี่ที่แท้จริงเป็นเพียงชื่อของพระอริยสัจสี่ เช่นเวลาเราอ่านหนังสือธรรมะแล้วมีการบอกกล่าวถึงพระอริยสัจสี่เราอ่านแล้วเราก็เห็นพระอริยสัจสี่เพียงแต่ในตัวหนังสือเท่านั้นแต่เรายังไม่เห็นพระอริยสัจสี่ตัวจริงเหมือนกับเวลาเราดูภาพของสถานที่ต่างๆที่เราไม่เคยไป เราจะเพียงแต่เห็นภาพแต่เรายังจะไม่เห็นของจริงเพราะเรายังไม่ได้เดินทางไปถึงสถานที่ที่เขาถ่ายภาพนั้นสิ่งที่เราเห็นในภาพกับสิ่งที่เราเห็นของจริงนี้จะมีความรู้สึกแตกต่างกันตอนนี้เราเห็นภาพเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่เหมือนกับเวลาเราไปเห็นของจริง เราจะมีความตื่นเต้นยินดีถ้าเป็นภาพที่สวยงามจนใดพระอริยสัจสีที่เราต้องเห็นนั้นต้องเห็นภายในใจของเราเพราะภายในใจของเรานี่แหละเป็นที่เกิดของพระอริยสัจสี่ไม่ใช่อยู่ในกระดาษหนังสือธรรมะต่างๆอันนั้นไม่ใช่เป็น พระอริยสัจสีอันนั้นเป็นเพียงแต่ชื่อของพระอริยสัจสีหรือภาพของพระอริยสัจสีพระอริยสัจสีคืออะไรที่เราต้องรู้จักถ้าเราอยากจะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้า เราต้องเห็นพระ อ, อริยสัจ4ีสี่ข้อด้วยกันคือความจริงที่ปรากฏอยู่ในใจของเราตลอดเวลาแต่เรากลับมองไม่เห็นเพราะใจของเราไม่เคยหันหน้าเข้ามาดูใจเลยเราหันออกไปข้างนอกตลอดเวลา เราไม่เคยเห็นใจของเราเราไม่เคยดูใจของเราเพราะเราดูที่ร่างกายของเราเราดูที่ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองของเราเราดูสิ่งต่างๆที่เราเห็นด้วยตาของเราเราจะไม่เคยเห็นอริยสัจสี่ที่มีอยู่ภายในใจของเราตลอดเวลาอริยสัจสี่สประการนี้มีอะไรบ้าง คือหนึ่งความทุกข์ใจความไม่สบายใจ 2. เหตุของความทุกข์ใจไม่สบายใจก็คือความอยากต่างๆความอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากสัมผัสลิ้มรสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะนี่เรียกว่าความอยากในกามารมณ์ ความอยากที่สองก็คือความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากมีหน้ามีตาอย่างนี้เรียกว่าความอยากมีอยากเป็นอยากมีความสุขประการที่สก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่ยากอยากไม่ยากจน อยากไม่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าเรามีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจใจของเราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเช่นเวลาคนร้องห่มร้องไห้นี้สแสดงว่าเขาไม่สบายใจแล้วแล้วถ้าเราถามเขาเขาก็จะบอกว่าเขาร้องห่มร้องไห้เพราะ <camp>? เขาสูญเสียสิ่งที่เขารักไปเช่นสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหรือสูญเสียบุคคลที่เขารักไปเขาจึงร้องหย่ร้องห้เพราะอะไรเพราะเขาอยากไม่ให้สูญเสียสิ่งที่เขารักเขาชอบไปนั่นเองเขาอยากไม่ให้สูญเสียทรัพย์สมบัติอยากไม่ให้สูญเสียบุคคลที่รักไป แต่เขาไม่รู้ว่าเขาสามารถที่จะสูญเสียได้อย่างไม่ไมต้องมีความเสียอกเสียใจไม่ต้องร้องห่มร้องไห้ถ้าเขามองเห็นความจริงว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเขาบุคคลต่างๆที่เขารักนั้นสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันไป เพราะนี่คือความจริงของโลกนี้ของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมมีวันเสื่อมไปย่อมมีวันหมดไปไม่ช้าก็เลยแม้แต่ร่างกายของเราที่เรารักที่เราหวงก็จะต้องเสื่อมหมดไปจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปถ้าเราเห็นความจริงอันนี้ เราก็จะไม่เสีย อ, อกเสียใจจะไม่รู้สึกไม่สบายใจแต่ตอนนี้เราไม่เห็นกันเราไม่เห็นความไม่สบายใจว่าเกิดจากความอยากของเราเราไม่เห็นว่าความไม่สบายใจนี้เราสามารถทำให้มันดับไปได้ทำให้มันไม่เกิดขึ้นได้ถ้าเราเห็นความจริง ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นั้นความจริงไม่ใช่เป็นของเราสักวันหนึ่งเขากับเราก็ต้องจากกันไปนี่คืออริยาศาศาสัจสีที่เราต้องเห็นกันให้ได้ถ้าเราอยากจะไปบ้านที่ถาวรของเราคือพระนิพพานบ้านที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจ เพราะเป็นบ้านที่มีแสงสว่างแห่งธรรมเหมือนบ้านเวลาเราอยู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าเราจะไม่เห็นข้าวของต่างๆภายในบ้านเราเวลาเราเดินไปเราอาจจะไปเหยียบข้าวของชนข้าวของทำให้เราต้องเกิดความจิบตามร่างกายขึ้นมาฉันใดถ้าเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรม บ้านที่เราอยู่นี้เราก็จะมองไม่เห็นว่ามีอะไรเป็นพิษเป็นภัยกับเราหรือไม่ชีวิตของเราตอนนี้ไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมชีวิตของเราจึงมักจะเดินไปชนกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆเดินไปเจอปัญหาอยู่เรื่อยๆเพราะมันมืดมองไม่เห็นข้างหน้านั่นเอง แต่ถ้าเรามีแสงสว่างแห่งธรรมเหมือนกับเวลาเราอยู่ในที่มืดนั่นเรามีไฟฉายถ้าเรามีไฟฉายสองทางเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างหน้าเราเราก็จะได้หลบได้หลีกได้ไม่ไปเหยียบไม่ไปชนกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแต่ตอนนี้พวกเราไม่มีแสงสว่าง พวกเราไม่เห็นอริ ย, ยสัจสี่กันพวกเราไม่เห็นว่าความไม่สบายใจของพวกเราเกิดจากความอยากของพวกเราเกิดจากความอยากในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะได้ตามใจอยากหรือถ้าได้มาแล้วเราก็จะต้องสูญเสียไปในที่สุดเพราะนี่คือ บ้านหรือสถานที่ที่เราอยู่กันเป็นสถานที่ที่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่ถาวรมีอะไรมาได้อะไรมาไม่ช้าก็ เ, เร็วก็ต้องสูญเสียไปขณะที่ยังไม่สูญเสียเราก็ไม่สบายใจเพราะเรากลัวว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องสูญเสียเพราะเรา มองไม่เห็นความจริงว่าเขาต้องจากเราไปแล้ววิธีที่จะทำให้เราไม่เสียอกเสียใจไม่สบายใจกับความสูญเสียก็คือเราต้องเตือนตัวเราอยู่เรื่อยๆว่าเราจะต้องเสียสิ่ง น, นี้ไปถ้าเรารู้ล่วงหน้าเวลาเสียไปเราก็จะไม่เสียใจเราก็จะไม่ทุกข์ใจ ทุกวันนี้ที่เราทุกใจกะเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจรับกับการสูญเสียนั่นเองเรามีแต่เตรียมตัวเตรียมใจรับกับการได้สิ่งต่างๆมาเวลาเราได้อะไรมาตามที่เราเตรียมตัวเตรียมใจเราก็ดี อ, อกดีใจกันเพราะเราได้สมหวังนั่นเองอยากได้อะไรพอได้แล้วก็สมหวังกัน ถ้าเราอยากจะสมหวังแล้วไม่ผิดหวังกับสิ่งที่เราสูญเสียเราก็ต้องอยากสูญเสียสิ่งที่เราต้องสูญเสียเช่นเราต้องสูญเสียทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปเราต้องสูญเสียบุคคลต่างๆที่เรารักไปเราต้องสูญเสียร่างกายของเราไปถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจ พร้อมที่จะสูญเสียสิ่งต่างๆไปเวลาเกิดการสูญเสียแทนที่เราจะเสียอกเสียใจเรากลับสบายใจดีอกดีใจเพราะเราได้ดังใจอยากนั่นเองดังนั้นเรามาหัดอยากกับการสูญเสียจะดีกว่ากับการอยากกับการได้ของต่างๆมาเพราะว่าไม่ว่าเราได้อะไรมนาะ เราก็จะต้องเสียสิ่งนั้นไปในที่สุดดังนั้นถ้าเราอยากได้อะไรเราก็ต้องอยากเสียไปด้วยเราถึงจะไม่เสียใจให้รู้ว่าเวลาเราได้อะไรมาเราก็ต้องรู้ทันทีว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเสียสิ่งนี้ไปไม่ช้าก็เร็วเราก็เสียมาเยอะแยะแล้วแต่เราไม่รู้สึกเหลือดร้อน เพราะเรารู้ว่าเราต้องเสียเช่นเสื้อผ้าที่เราเปลี่ยนมานี่เราใส่มาตั้งแต่เกิดนี่เราเปลี่ยนเสื้อผ้ามาหลายชุดแล้วเปลี่ยนรองเท้ามาหลายคู่แล้วเปลี่ยนอะไรต่างๆมาหมามามากมายแล้วเพราะเรารู้ว่าเราต้องเปลี่ยนเราต้องเสียเขาไปเราจึงไม่เดือดร้อนดังนั้นเราต้องมาคิดถึงร่างกายของเรานี้ ว่ามันก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าอีกชุดหนึ่งที่สักวันหนึ่งเราก็จะต้องสูญเสียมันไปเวลาเสียร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกับเวลาเสียเสื้อผ้าชุดเก่าไปแล้วเราก็ไปหาเสื้อผ้าชุดใหม่มาใส่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้กันท่นนั้นเองว่าเวลาเราตายไปแล้วเราจะไปได้ร่างกายอันใหม่กันเราก็เลยกลัวกัน เราก็เลยทุกกันแต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นเหมือนกับการเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วยิ่งถ้ารู้ว่าได้เสื้อผ้าที่ดีกว่าเกา่าเราจะไม่อยากจะเปลี่ยนเลยถ้าเรามาีเสื้อผ้าชุดที่เราใส่อยู่นี้แล้วเราไปเดินตามห้างตามร้านเห็นเสื้อผ้าชุดใหม่แล้วถ้าเรามีปัญญาที่จะซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาเปลี่ยนเราจะไม่ซื้อเหรอเราก็ต้องซื้อทันที เพราะเราอยากจะได้เสื้อผ้าชุดใหม่ที่ดีกว่าเก่าภพชาติของเราก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราตายจากภพนี้ไปเราก็จะไปได้ภบใหม่ต่อไปทีนี้ภบใหม่จะดีไม่ดีก็อยู่ที่เงินที่เรามีว่าเราจะซื้อภบที่ดีกว่าได้หรือไม่เหมือนกับเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ร้านถ้าเราไม่มีเงินเราก็เปลี่ยนไม่ได้ หรืออาจจะเปลี่ยนชุดที่ไม่ดีกว่าชุดที่เรามีอยู่ก็ได้ฉันใดเงินที่เราจะใช้ในการซื้อร่างกายอันใหมน่นี้ก็คือบุญรกุศลนี้เองถ้าเราทำบุญอยู่เรื่อยรักษาศีลอยู่เรื่อยเราก็จะได้ร่างกายอันใหม่ที่ดีกว่าเก่าได้ร่างกายของเทวดาและพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ก็จะได้ร่างกายที่สวยงามกว่าเก่ามีอาการ32ที่ครบถ้วนบริบูรณ์กว่าเก่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกว่าเก่ามีอายุยืนยาวนานกว่าเก่านี่คืออำนาจของเงินคือทรัพย์ภายในก็คือบุญที่เรามาทำกันนี้เองถ้าเราทำบุญได้เยอะ เราก็จะได้บ้านที่ดีขึ้นไปได้ร่างกายที่ดีขึ้นไปตามลำดับจากร่างกายของเทวดาก็จะได้ร่างกายของพรหมร่างกายของพรหมก็จะได้ร่างกายของพระอริยเจ้าจนถึงร่างกายของพระอรหันต์ร่างกายของพระพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราเดินตามแผนที่ที่พระพุทธเจ้า ได้มอบไว้ให้กับพวกเราแผนที่ขั้นที่หนึ่งก็คือให้ทาทานอยู่เรื่อยๆทำบุญไต่บารหรือทำบุญกับบุคคลอื่นก็ได้กับพ่อกับแม่ก็ได้เลี้ยงพ่อแม่ทุกวันก็ได้ก็เหมือนกับได้เลี้ยงพออาระอรหันต์ได้บุญได้กุศลมากหรือถ้าไม่พ่อแม่ไม่เดือดร้อนก็เลี้ยงคนอื่นที่เขาเดือดร้อน คนที่ตกทุกข์ได้ยากขาดแคลนต้องการความช่วยเหลือเราก็ช่วยเหลือเขาไปเรียกว่าเป็นการทําทานแล้วเราก็จะได้มีบุญไว้ไปซื้อร่างกายที่ดีคือร่างกายของเทพแต่จะไปได้ก็ต้องไม่ทําบาปด้วยทําบุญแล้วก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ด้วยถึงจะได้ร่างกายของเทพ ถ้าอยากจะได้ร่างกายของพรห์ก็ต้องรักษาศีลแปลแล้วก็ต้องไหว้พระสวดนมนต์หัดทําใจให้สงบฝึกนั่งสมาธิให้ใจสงบเย็นสบายแล้วใจก็จะได้ร่างกายของครหแล้วถ้าอยากจะได้ร่างกายของพระอริยบุคคลก็ต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยาาสัจสี เห็นว่าความอย่างนี้เป็นตัวที่ผลักดันให้เราต้องมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจเป็นตัวที่ผลักดันให้เราไปเวียนว่าตายเกิดทําให้เราไม่สามารถไปถึงบ้านของเราได้คือพระนิพพานถ้าเราอยากจะไปพระนิพพานไปบ้านที่เป็นบ้านของเราอย่างถาวรไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดตามภพต่างๆ เราก็ต้องตัดความอยากทั้งสามให้ได้ตัดความอยากในกามตัดความอยากมีอยากเป็นตัดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าเราตัดได้ใจของเราก็จะถึงบ้านคือพระนิพพานจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเอง ใจไม่มีวันดับแต่ตอนนี้ใจของเราไม่ไปถึงจุดที่มีแต่ความสุขยังอยู่ตามพบต่างๆพบที่ดีบ้างพบที่ไม่ดีบ้างเพราะเรายังไม่เดินตามแผนที่ของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าบอกไม่ให้ทําบาปเราก็ยังฝืนทําบาปกันอยู่ไม่ให้โกหกก็บอกอดโกหกไม่ได้ ไม่ให้ดื่มสุราก็บอกว่าอดไม่ได้ไม่ให้ประพฤติผิดประเวณีก็อดไม่ได้ไม่ให้ลักทรัพย์ก็อดไม่ได้ไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ทำไม่ได้ถ้าทาไม่ได้ก็ต้องไปใช้กรรมในคุกในตารางไปเกิดในอบายแต่ถ้าทำได้เราก็จะก้าวขึ้นสู่พบที่ดีขึ้นตามลำดับไป จนถึงบ้านที่ถาวรต่อไปนี่คือการมาวัดเพื่อมาศึกษาแผนที่ของชีวิตของพวกเราไม่มีแผนที่เราจะไม่สามารถเดินทางไปถึงบ้านที่ปลอดภัยของเราได้เราก็จะต้องไปอยู่ตามที่ชั่วคราวไปอาศัยตามที่ต่างๆพบต่างๆไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้พบแผนที่ และสามารถเดินตามแผนที่ได้เท่านั้นเราถึงจะถึงบ้านของเราอย่างแท้จริงจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาศึกษาแผนที่และดำเนินตามแผนที่เพื่อที่ให้เราจะได้เดินทางกลับถึงบ้านของเราต่อไปให้ท่านได้นําเอาไปพิณิพิจารณาเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมา